ชีวิตของเราทุกคนนี่เราต้องแอคชั่นต่อสถานการณ์ in the moment นั่นเลยไม่ใช่เราเรามีหลักการเรามีหลักยึดหรือเราอาศัยประสบการณ์ในอดีตแล้วก็เชื่อแบบนั้นแล้วก็ทำตามคนในโลกนี้ทำแบบนั้นเรายึดกับอะไรอยู่เราก็ใช้ประสบการณ์ในอดีต ในกล่องข้อมูลของเราก็เอามาตัดสินใจทำเรื่องในปัจจุบันไปสู่อนาคตในที่สุดแต่ว่าการปฏิบัติธรรมที่เรา live in the moment อันนี้แค่นี้ทุกการตอบสนองของเราในสถานการณ์แต่ละสถานการณ์เราตอบสนองในโมเมนต์นั้นแค่นั้นเองมันเป็นขนาดเดียวของสัญญา ของวิปัสสนาญาณของปัญญาก็ปึ๊บเดียวอันนี้ก็ตอบสนองเลยไม่ต้องไปคิดในอดีตในหลักการที่เรายึดเพราะฉะนั้นการตัดสินใจของเรามันก็จะสมบูรณ์ที่สุดคำว่าสมบูรณ์ที่ผมพูดไม่ใช่หมายถึงว่ามันถูกหรือมันผิดมันสมบูรณ์ในขณะนั้นแล้วใช่นั้น คือเราต้องฝึกที่จะอยู่กับความเงียบให้มันบ่อยขึ้นในชีวิตของเราเลนในรูปแบบเราก็รู้จักความเงียบได้ฝึกในรูปแบบในชีวิตประจำวันเราก็รู้จักความเงียบได้ในทุกๆขณะที่เรากำลังทำอะไรอยู่ความเงียบภายในนี่มันมีอยู่แล้วมันมีอยู่ตลอดเวลาแต่พอเรา ชิดเราติดอยู่กับความเชื่ออะไรสิ่งเหล่านั้นก็เข้ามาปิดบงังความจริงทั้งหมดเรื่องที่ผมบอกว่าเมฆหมอกทั้งหลายก็มาปิดบังดวงจันทร์เอาไว้แล้วเราก็เข้าไปเป็นเมฆหมอกนั้นเองเข้าไปเป็นจริงเป็นจังกับเมฆหมอกนั้นเองเป็นจริงเป็นจังเสร็จปุ๊บเราก็เป็นทุกข์ในที่สุด เวลาได้ยินเสียงแบบนี้แล้วก็ลองดูว่ามันจะต้องกระเทือนความเงียบภายในของเรารเพราะในความเป็นจริงเราอยู่ในอยู่ในที่ที่เงียบตลอดเวลาไม่ได้เราต้องอยู่แบบนี้แหละต่อให้เราไปอยู่วัดเราไปอยู่ในป่าในเขา ม, มีเสียงล ม, เ ส, งมเสียง่นเสียงทัดใบไม้ต้นไม้สารพัดเสียงอยู่ที่เราจะ้าไปยึดมันหรือเปล่าแค่นั้นเอง โอเคเดี๋ยวจะให้นั่งสมาธิกันสักแป๊บหนึ่งเวลานั่งสมาธินี่เราหายใจสังเกตตอนเราหายใจออกตอนมันใกล้ๆกับจะหมดลมหายใจออกเราจะรู้สึกถึงความหนักแน่นแถวแถวท้องน้อยหรือบางคนก็ลงไปต่ตวะนะ่านันน ให้เรารู้สึกบริเวณที่เรารู้สึกว่ามันหนักแน่นที่สุดตรงนั้นการที่เรารู้สึกถึงบริเวณที่มันหนักแน่นที่สุดตรงนั้นจิตจะมีกําลังขึ้นมาที่ผมบอกให้เรารู้สึกอยู่ตรงที่มันหนักแน่นตรงนั้นหมายความว่าแค่รู้สึกอยู่มันชัดอยู่ที่ตรงนั้นรู้สึกไม่ใช่ไปอยู่กับมันรู้สึกเฉย ขณที่เรรู้สึกในจุดที่หนักแน่นที่สุดของร่างกายตรงนั้นเราไม่ได้ลืมเนื้อลืมตัวหรอกร่างกายทั้งร่างกายเราก็ยังอยู่เหมือนกันจิตใจเราปกติอยู่เราก็รู้เหมือนกันเป็นสภาวะปราศจากความคิดเราก็รู้เหมือนกัน แล้วเราจะได้สัมผัสความเงียบภายในความเงียบอันนี้มีอยู่แล้วมีอยู่เสมอตลอดอนันตกาลไม่เคยหายไปไหนแต่เราไม่ยอมไปรู้จักมันเราชอบไปคิดปรงแต่ง คิดอะไรเป็นจริงเป็นจังไปหมดการปฏิบัติธรรมนี้ไม่มีอะไรยากไม่มีอะไรยากเลยขอแค่เราเข้าใจว่าเรากำลังจะทําอะไรอยขอให้เราเข้าใจธรรมชาติที่แท้จริงของเราให้ได้ธรรมชาติที่แท้จริงของเราคืออะไรกันแน่ ธรรมชาติที่แท้จริงของเราแปลามาเป็นภาษาให้พอจะฟังเข้าใจได้ส ภ, สภาพตื่นสภาพตื่นรู้กายกับจิตมี่ทำงานกลายเป็นอย่างนี้จิตเป็นอย่างนี้ ตัวเราที่แท้จริงคือสภาพตื่นกิริยาตื่นเฉยๆสภาพอื่นๆที่ผ่านเข้ามาในจิตใจเวทนาต่างๆที่ผ่านเข้ามาในร่างกายเป็นแค่สิ่งที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปแต่เราชอบไปเป็นมันเราชอบเป็นจริงเป็นจังกับไอ้สิ่งที่มันผ่านเข้ามาทั้งหลายว่ามันเป็นตัวเราเป็นของเรา เพราะนั้นการปฏิบัติธรรมมันง่ายเพราะว่าขอให้เราแค่รู้ว่าตัวจริงของเราคือเป็นกิริยาตื่นเฉยๆเราต้องรู้ว่าตัวจริงของเราทุกคนคือกิริยาตื่นถ้าเรามั่นใจเราเข้าใจแบบนี้แล้วเราจะหลงเข้าไปเอาจริงเอาจังกับร่างกายกับอารมณ์กับ สุขทุกเศร้าเสียใจอะไรต่างๆนานาหรือแม้กระทั่งเอาความคิดมาเป็นตัวเราเราจะเอาแบบนั้นทำไมเราต้องสอนตัวเองว่าตัวเราที่แท้จริงคือกิริยาตืน่นเมื่ อ, อไหร่ก็ตามที่เราเข้าไปเป็นอะไรกับอะไรนั่นเราหลับแล้ว เราลงผิดแล้วเรามีมิชฉาทิฐิแล้วเรากำลังกลับไปสู่วัยเด็กที่เรากำลังเล่นละครเล่นเป็นนางฟ้าเล่นเป็นพ่อเล่นเป็นจอมยุทธ์เล่นเป็นลูกเราสังเกต คนมีลูกแล้วหรือคนเคยเห็นลูกเพื่อนก็ได้ลูกก็เล่นเล่นเป็นพ่อเป็นลูกกันเล่นจนมันติดออกมาจริงๆเลิกเล่นแล้วยังติดนิสัยที่เล่นอยู่ในละครนั้นออกมาในชีวิตจริงเราคนเป็นพ่อเป็นแม่คนเป็นผู้ใหญ่เห็นแล้วก็ตลกไหม เป็นเด็กแล้วก็ว่าตลกถ้าเรามันเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ว่ามันบ้ามันเอาเรื่องไม่จริงเอามาเป็นจริงเป็นจังได้ยังไงมันเหมือนกันครูบาอาจารย์เห็นคนในโลกนี้ก็เห็นแบบนั้นเหมือนกันผู้ใหญ่คนใหญ่คนโตคนเด่นคนดังเอาเรื่องไม่จริงเอามาเป็นจริงเป็นจังหมดมันจริงในสมมุติ แต่เรานักปฏิบัติธรรมเราต้องรู้ชีวิตที่แท้จริงของเรามันคือสภาพตื่นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เหลือเราต้องรู้ว่ามันจริงเหมือนกันแต่มันจริงโดยสมมุติเฉยๆเหมือนที่เรากําลังต้องเล่นละครมันจริงตอนนั้นเฉยๆเพราะฉะนั้นเราอยากเอาจริงในสมมุติมาเป็นชีวิตที่แท้จริงของเราเราต้องเตือนตัวเอง สอนตัวเองว่าเรากำลังจะเป็นคนบ้าคนนั้นอีกแล้วถ้าเรามันเตือนตัวเองสอนตัวเองได้บ่อยๆสติเกิดขึ้นการปฏิบัติธรรมคืออะไรคือเราขัดเกลาตัวเองขัดเกลา มิจฉาทิฏฐิความหลงถิดทั้งหลายออกไปสังเกตชีวิตพวกเราทุกคนปฏิบัติธรรมมาได้กันขนาดนี้นเราคิดดูเราปลอกเปลือกความเห็นผิดของเราตั้งแต่เด็กจนโตไปไม่รู้เท่าไหร่เราหลงทิดตั้งเยอะ พหน้าที่เราก็คือเราแค่ใช้เวลาที่เหลืออยู่ของเราทั้งหมดขัดเกลาจิตใจนี้มันบริสุทธิ์ให้มันไม่มีความหลงผิดหลงเหลืออยู่ให้มันเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานโดยสมบูรณ์ ถ้าเราไม่ช่วยตัวเองไม่มีใครช่วยเราได้ถ้าเราไม่เลือกทางเดินด้วยตัวเองไม่มีใครเดินให้เราได้เราจะตายอย่างไรค่าไร้ราคาหลวงปู่ดูลพูดถึงจิตคือพุทธะนี่หมายความว่าทุกคนเนี่ยมีจิตคือพุทธะอยู่แล้ว ทุกคนมีสภาพตื่นนี้อยู่แล้วดูก็ไปให้ถึงจิตคือหมายความว่าเข้าไปถึงจิตคือพุท ธ, ธะไม่ใช่มัวไปดูเมฆหมอกของจิตไม่ใช่มัวไปดูอาการของจิตที่มันปรุงแต่งไปแล้วหลวงปู่เทศเรียกจิตกับใจถ้าใช้คำาองหลวงปู่เทศต้องเรียกว่าดูเข้ามาให้มันถึงใจไม่ใช่ไปดูจิต จิตนี่มีหน้าที่คิดนึกองคงแต่งจะไปดูขององค์แต่งทำไมดูกลับมาถึงตัวตนที่แท้จริงของเราคือใจนี้ใจนี้หรือเรียกว่าจิตเดิมแท้เรียกว่าจิตหนึ่งเรียกว่าธาตุรู้ใครจะเรียกอะไรก็ได้จะดูเข้ามาให้มันถึงใจอย่าไปติดอยู่แค่จิตมันเข้ามาไม่ถึงตัวเองมันเข้ามาไม่ถึงสภาพที่แท้จริงของตัวเอง เมื่อไหรที่เราเข้าถึงสภาพต้นกําเนิดสภาพที่แท้จริงของตัวเองไม่ต้องห่วงว่าเราจะไม่รู้ตายแล้วไม่ต้องห่วงว่าเราจะไม่เข้าใจตายแล้วเข้าใจเข้าใจชัดเลยจะเป็นความเข้าใจจริงๆเพราะในขณะที่เราเข้ามาถึงใจนี้เข้ามาถึงสภาพแห่งความเงียบเชียบนี้เข้ามาถึงสภาพแห่งความเป็นปกตินี้มันปราศจากตัวตน เพราะฉะนั้นอะไรผ่านมาผ่านไปเนยมันเห็นชัดเห็นทุกอย่างจิตใจนี้ก็จะรู้เองว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นอย่างนี้มันผ่านมาแล้วก็ผ่านไปทนอยู่ในสภาวะเดิมไม่ได้เป็นไปตามเหตุปัจจัย เป็นไปตามเหตุปัจจัยไดหมหมควัมว่าพะพุตติชาพูดว่ามันไม่มีจุดเริ่มต้นและมันก็ไม่มีจุดสิ้นสุดทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามเหตุปัจจัยดำเนินกันไปไม่เคยหยุดเลยกายกับจิตที่พวกเรามีกันอยู่ตอนนี้เนี่ย เป็นเหมือนเมฆหมอกที่ผ่านเข้ามาพอมันผ่านเข้ามาเราก็มีใช้อวิชชากระโดดเข้าไปจับมันว่ามันเป็นตัวเราเราเป็นเจ้าของมันเราไม่ยอมรู้มันเฉยๆเราไม่เรียนรู้เฉยๆไม่ตื่นรู้เฉยๆกับสิ่งต่างๆที่มันผ่านมาแล้วก็ผ่านไปทุกวันนี้เราเรียนธรร ม, มะเราก็ เรียนรู้ว่าโอ้อารมณ์อะไรเกิดขึ้นความคิดอะไรเกิดขึ้นเห็นมันเห็นมันแต่เราไม่เคยเห็นว่ากายกับจิตนี้ตกอยู่ในสภาพเดียวกันกับอารมณ์ทั้งหลายที่เราพยายามดูอยู่แหละ ว, ว่ามันเป็นไตละ ว, ว่ามันไม่ใช่ตัวเรามันเป็นไปตามเหตุปัจจัยกายนี้กับจิตนี้เหมือนกันเป็นสิ่งที่เราต้องรู้ว่า มันเป็นสภาพเดียวกับเมฆหมอกที่เราอยากเผลอเข้าไปยึดถืออยาก เ, าเอาไปเป็นของส่วนตัวเราแค่กลับสู่สภาพเดิมแท้ของเราคือสภาพตื่นอยู่ตื่นรู้องคุดูนพูดว่าเพียงแค่เราลืมตา ตื่นขึ้นมามันอยู่ตรงหน้ารอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมมันเลยง่ายจนไม่รู้จะง่ายยังไงแต่การที่จะลืมตาตื่นขึ้นมาเข้าถึงสภาพเดิมแท้ได้มันมีวิธีการธรรมะต้องพูดกันเยอะ เพราะว่าพูดกันเรื่องที่จะทำให้คนนี้เข้าถึงสภาพเดิมแท้ของตัวเองให้ได้แค่นั้นเองมันเลยมีเรื่องของความรู้สึกตัวเรื่องของการที่บอกว่าให้พ้นาจากโลกของความคิดปรุงแต่งเรื่องของความเงียบความเงียบจะเกิดขึ้นเมื่อเราพ้นออกจากสภาพปรงแต่งท่งโปลเราก็มีหน้าที่ รู้จักรู้จักตัวตนที่แท้จริงของเราทุกคนให้บ่อยให้เป็นนิสัยและสุดท้ายมันจะต่อเนื่องเป็นหนึ่งเดียวกลมกลื่นอยู่ในชีวิตของเราในสภาพตื่นรู้ เริ่มแรกคือเราต้องรู้ว่าปฏิบัติธรรมเราไม่เอาอะไรไม่ใช่เพื่อจะได้ปัญญาด้วยไม่เอาอะไรเลยปัญญาก็ไม่เอาที่ผมบอกเมื่อกี้นี้ว่าเราแค่กลับไปสู่ตัวตนที่แท้จริงของเราคือสภาพตื่นรู้เฉยๆสภาพตื่นรู้หรือสภาพว่างสุญญ า, านี้ ไม่มีสภาพของการที่เรารู้สึกว่าเราต้องมีปัญญาไม่ต้องมีไม่ต้องมีคือกลับสู่บ้านเดิมจบแล้วสมมติว่าเราอยู่ในป่าคนเดียวเรียนรู้ชีวิตตัวเองเรียกว่าปฏิบัติธรรมแล้วกันจนวันหนึ่งเราบรรลุธรรมแล้วเราก็อยู่คนเดียวยังตาย่ะ ไม่ต้องพูดอะไรไม่ต้องคิดอะไรเราแค่ไม่มีทุกข์เฉยเราไม่ต้องรู้สึกว่าเราจะต้องมีปัญญาอะไรที่ผมพูดตั้งแต่แรกเมื่อกี้นี้ว่าเรา live in the moment เฉยๆทุกขณะทุกขณะทุกขณะเฉยๆในทุกขณะมีทุกขณะทุกขณะจิตใจนี้เต็มไปด้วยพลังงานเต็มไปด้วยกำลังเต็มไปด้วย energy พลังงานเหล่านี้นี่ถ้าเราจะต้องตอบสนองกับอะไรมันจะหยิบจับสัญญาประสบการณ์ในอดีตหรือแม้กระทั่งสิ่งที่เราไม่เคยมีในอดีตมันก็มาได้มาตอบสนองออกไปในขนาดนั้นแล้วเราชาวโลกพวกเราก็บอกว่าอย่างนี้เรียกปัญญาแต่ว่าคนที่มีปัญญาเขาก็ได้ฝึกมีปัญญาเขาฝึกที่จะอยู่กับความเงียบฝึกที่จะอยู่กับ สภาพที่แท้จริงของตัวเองแต่แล้วสิ่งต่างๆมันเกิดขึ้นเป็นผลลัพธ์ที่เฉยที่เรียกว่าความเข้าใจก็ได้สมมติว่าปัญญาในมุมมองของศาสนาคือเข้าใจว่าโลกนี้เป็นไตรลักษณ์เป็นผลลัพธ์เหมือนกันจากการที่เราเข้าถึงสภาพที่แท้จริงของเรานี่ก่อน ถ้าเรา ถ, ถึงเห็นสิ่งต่างๆนี่ชัดเจนเคลียร์จิตใจที่เป็นปกติเงียบเชีย่ยมันเหมือนน้ําที่มันนิ่งเรียบแล้วก็มองลงไปถึงก้นได้เลยใช่ไหมมีหินมีตะไคร่น้ํามีอะไรมีปลาแต่ถ้าเรายังเข้าไม่ถึงสภาพเดิมแท้นี่เลยน้ําก็เลยก็เพิ่มตลอดเวลาไปจะเห็นอะไรข้างล่างได้ไหมเห็นไม่ไดเห็นไม่ได้เพราะฉะนั้น ต่างๆที่เราเคยอ่านมาเคยฟังมานี่เป็นผลลัพธ์ทั้งนั้นเลยมันจะมาเองแต่ถ้าเราหวังจะได้มันในขนาดนั้นน้ำกระเพื่อมแล้วเนี่ยเราไม่ปกติแล้วเรามีความยากตัวตนที่แท้จริงของพวกเราทุกคนไม่มีอวิชาที่พุธุจาพูดว่าจิตเดินแพ้นี่มันพัดซอนอยู่แล้ว มีเพียงอุปกิรลสจอนมาก็คือเมฆหมอกมาคอยปิดบังเอาไว้มาคอยปิดบังเราไว้คนในโลกทุกคนไม่สนใจที่จะกลับเข้าสู่ดวงจันทร์ที่มันเป็นจิตประพัสอนอยู่แล้วไม่สนใจที่จะรู้ว่าชีวิตเรามันประพัดสอนอยู่แล้วที่แท้จริงคือสภาพตื่นเนี่ยมันประพัดสอนมันสะอาดสว่างสงบอยู่แล้วเราไปสนใจเมฆหมอก เมฆหมอกที่ปิดบังอยู่แล้วก็เข้าไปจับมันที่ผมบอกกายกับจิตที่เป็นเมฆหมอกเหมือนกันเราเข้าไปจับมันนี่เป็นของเรานี่เราบ้านเรารถเราแฟนเราลูกเราเราเข้าไปจับเมฆหมอกเราไม่กลับมาที่ที่สภาพที่ไม่มีอวิชชาแล้วไม่ยอมกลับกันเราเอาทีิเอาจังกับเมฆหมอกอยู่ได้เอาจีิเอาจังตลอดเวลาเราต้องกลับเข้ามากลับเข้าสู่สภาพตื่นนี้ เรากับสู่สภาพเตือนนี้เราจะเห็นออนนี่เมฆหมอเมฆหมอกเห็นโลกเป็นแบบนี้เข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเป็นแบบนี้ที่ผมบอกเคยพูดในคลิปว่าเราเข้าใจทั้งสองอย่างเข้าใจทั้งสภาพเหนือโลกเข้าใจทั้งสภาพในโลกพอเราเข้าใจสองอย่าง เนื่อมันเราเข้าใจอะไรได้เราก็จะไม่ไม่ต้องทุกข์กับมันสมมุติเราขับรถไปเครื่องยนเราดับกลางทางเราซ่อมไม่เป็นทุกข์แลยใช่ไหมแต่ถ้าเราเป็นช่างดับปุ๊บรู้เลยเดี๋ยวเติมน้ำหม้อน้ําก่อนอะไรบ่อยไม่ทุกข์เลยฮะถ้าเราเข้าใจอะไรอในชีวิตทั้งหมดเราจะทุกข์ยังไงมันทุกข์ไม่ได้มันไม่ทุกข์เองคนที่บอกว่ากิเลสขึ้นปุ๊บเห็นวัยตัดวัยไม่ใช่นั่นเยังไม่ใช่ไม่มีกิเลส ต้องไม่มีกิเลสไม่ใช่เห็นกิเลสปุ๊บตัดไวคนดีๆเยอะแยะเขาเห็นกิเลสปุ๊บเขาก็เขามีกิเลสเกิดขึ้นโกรธเกิดขึ้นคนเป็นคนดีเป็นนางฟ้าเขาก็ไม่เป็นไรหายแล้วแ ป, ป๊บเดียวเนี่ยเราเจอคนใจเย็นๆใช่ไหมแ ป, ป๊บเดียวหายแล้วเจอคนใจร้อนโกรธทั้งวันทั้งคืนเนี่ยอย่างเงี้ยเพราะนั้นถ้ายังมีกิเลสอยู่แล้วบอกว่าเรา เห็นปุ๊บตัดไวอะไรปติบัตย์ทำก้าวหน้ามันก็ถูกเหมือนกันแต่ถูกไม่หมดเพราะในความเป็นจริงเราต้องกลับไปสู่สภาพเดิมแท้สภาพที่มันสะอาดสว่างสงบมันไม่มีกิเลสถ้าเราอยู่อย่างนี้เราอยู่อย่างนี้เราต้องใช้ขันห้าสัญญาสังขารอะไรที่จะพูดออกมาอ่า แต่พอเราอยู่คนเดียวเนี่ยเราอยู่กับความเงียบ mm hmm. เขาเรียกว่าอยู่ในสภาพที่มันเรียกว่าสภาพที่ไม่มีจิตจิตนี่เราต้องเข้าใจจิตคือสิ่งในโลกตรงแต่งตัวแท้จริงของเราคือใจ คือสภาพของจิตเดิมแท้ที่ผมบอกสภาพตื่นสภาพของจิตคือพุทธะใจนี้ไม่ปรงแต่งอะไรอยู่ยังไงอยู่อย่างนั้นของเราเรากลับบ้านเฉยแต่พอมีคนมาเคาะหน้าบ้านเราก็ออกไปดูดูได้อาศัยอะไรอาศัยจิตนี่แหละพูดคุยคิดโน่นคิด น, ดดนดี่จะตอบปัญหาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมแค่กลับ สู่บ้านเดิมของเราให้ได้กลับให้ถูกบ้านแค่นั้นอย่าไปติดอยู่กับเมฆหมอกเราไม่ใช่ว่าไปเข้าใจว่าปฏิบัติธรรมต้องไปทำอย่างนี้ทำอย่างนี้นทำทำมิจตทำอะไรก็ไม่ต้องหลายอย่าไม่ต้องทำอะไรแบบนั้นความเข้าใจหรืธรรมะที่แท้จริงเกิดจากจิตที่มันว่างไม่ได้เกิดจากเราไปอ่านหนังสือมาไปฟังเข้ามา เป็นคิดวิเคราะห์เหล่านั้นไม่ใช่ทําเหล่านั้นเป็นความฟุ้งซ่านต่อให้เราคิดถ้าเราพูดออกมาคล้ายๆครูบาอาจารย์พูดมันก็ไม่เหมือนอวันหนึง่งถ้าเราเองเข้าถึงสิ่งที่เราพยายามคิดแล้วก็พยายามเข้าใจแล้วก็พยายามพูดออกมาให้คนอื่นฟังแล้วเราอนาคตรเราเข้าถึงเองเราจะรู้ว่าไอ้วันที่เราพูดวันนั้นเราไม่เข้าใจอะไรเลย <laughs> แต่เราพูดโคตรเหมือนเลยแต่เราจะรู้ว่าเราไม่เข้าใจอะไร เป็นแบบนั้นให้เรากลับสู่ธรรมชาติที่แท้จริงของเราเองแล้วเราจะเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างด้วยใจเลยใจนี้จะเข้าใจไม่ต้องคิดจะทำอะไรมากกว่าการกลับไปสู่บ้านที่แท้จริงของเราให้ได้ที่ผมบอกว่าเซนก็เลยพูดว่ามันไม่มีขั้นมีตอนอะไรเข้าถึงก็ถึงเลยแต่ว่า อ, อพระพุทธเจ้าก็ให้เหลือกหลายอย่างมีศซลหนังสือแม่บอบเราทำหลายอย่างมีข้อมูลหลายอย่างเหล่านั้นเพื่ออะไรคล้ายๆเราหยิบมาใช้สิ่งที่มันเกื้อกูลกับเราให้เรากลับสู่บ้านที่แท้จริงได้ง่ายที่สุดเร็วที่สุดเราทํางานนี้แล้วกลับบ้านได้ไหมไม่่อยได้ กังวนลูกค้ากังวลลูกน้องกังวลครอบครัวสารพัดกังวลจะกลับบ้านกี่นาทีต่อวันเราอยากจะบรรลุธรรมแต่เราให้เวลามันแค่สิบเปอร์เซนหรืออาจจะหนึ่งเปอร์เซนของชีวิตเราทั้งหมดเพราะอะไรเพราะเราเชื่อเมฆหมอ ว่ามันคือชีวิตของเรามากกว่าเราเชื่อว่าจิตเดิมแท้นี่คือชีวิตของเราเราเชื่อเมหมอกมากกว่าเนนนั่นก็คือเราแปลว่าเราเชื่ออวิชามากกว่าเราเห็นว่าอาวิชาคือชีวิตของเราเราเลี่ยปล่อยมันไม่ได้ถ้าอะไรที่เราทำได้ที่จะเกื้อกูลชีวิตของเราที่เหลืออยู่ทั้งหมดที่จะช่วยให้เรากลับสู่บ้านที่แท้จริงของเราได้ เราต้องทําเวลาเราทํางานเราประกอบอาชีพสร้างเนื้อสร้างตัวเราทําทุกอย่างเลยใช่ไหมทาทุกทางที่มันจะออติมไมที่สุดที่มันจะดีที่สุดเอฟฟิเช mm ีน hmm. ที่สุดที่เราจะได้ผลงานที่ดีที่สุดและชีวิตเราทาไมเราไม่คิดถึงนี้นชีวิตเราบ้ง <laughs> เพราะอะไรเพราะเราไม่เข้าใจว่าชีวิตที่แท้จริงของเราคืออะไรกันแน่เราเข้าใจว่าเมฆหมอคือชีวิตของเรา นี่ประเด็นมันคือตรงนั้นเพราะคนเราการปฏิบัติธรรมนี่มันต้องเริ่มที่ความเข้าใจให้ได้ก่อนว่าชีวิตที่แท้จริงของเราทุกคนมันคืออะไรถ้าเราเข้าใจตรงนี้ไม่ได้แล้วทาอะไรไม่ได้เลยเราก็ไปทําอะไรผิดๆตลอดแม้กระทั่งเราจะปฏิบัติธรรมเราก็จะไปปฏิบัติผิดด้วยถ้าเราไม่เข้าใจตรงนี้เราก็ ไปอ่านหนังสือไปฟังครูบาอาจารย์ฟังอาจารย์ทั้งหลายก็ได้ที่เป็นผู้สอนเลยรเขาแนะนำแนะนำอะไระเราก็มืดมืดเราก็มืดมืดแล้วเราก็ทำตามเขาไปก่อนวะเขาบอกแบบนี้เราก็ทำไปเสียเวลาถ้าเรายังไม่เข้าใจชีวิตที่แท้จริงของเราว่ามันคืออะไรเราจะมืดมืดคําคลทางไปเรื่อยๆแล้วที่เจออาจารย์มืดมืดโดยกะเสร็จเลยเ <c oughs> ออเรียกวเตียอุมคอมไปด้วยกันนนะ แต่ถ้าเราเข้าใจหัวใจของการปฏิบัติธรรมได้เราไปฟังที่ไหนเราก็รู้ว่าไม่ใช่ฐานคนที่สอนให้เรายังเชื่ออะไรอยู่นี่จะ เ, เป็นอาจารย์ได้ยังไงไม่มีความเชื่ออะไรทั้งนั้นเราจะถึงความค้นทุกข์อย่างสมบูรณ์เราจะติดกับอะไรได้ยังไงเราจะเชื่ออะไรอยู่ได้ยังไงไม่มี ถ้าเราถึงความจริงแล้วต่อให้มีคนบอกว่าคนที่เป็นพระพุทธเจ้าแล้วมาพูดสิ่งที่ไม่จริงเราก็ไม่เชื่อมันเพราะเราถึงความจริงไปแล้วเราไม่อยู่ภายใต้ความเชื่อระบบความเชื่อใดๆทั้งสิ้นในโลกนี้ไม่มีศีลพตปรลามาตไม่งมงายในศีลพธิแต่ความเข้าใจผมคือความเชื่อทั้งหลายในโลกนี้จะถูกทำลายทิ้งทั้งหมด อยู่เหนือเราไม่ได้เพราะเราเราอยู่เหนือมันไปแล้วถ้าเรายังเชื่ออะไรอยู่เนีต้องเป็นธาตุจริงนะคนที่สอนให้เราเชื่ออะไรเขาเองยังเป็นธาตุอยู่เดสอนคนอื่นเองเรื <c oughs> ่องเรากลับสู่บ้าน ที่แท้จริงของเราให้ได้อันนี้เป็นเป้าหมายของชีวิตชีวิตของเราที่ต้องกลับไปที่จะระนาชีวิตทั้งหมดของเราตั้งแต่วันนี้เราจะทําอะไรได้บ้างที่จะเกื้อกูลให้ชีวิตของเรากลับสู่บ้านที่แท้จริงได้มากที่สุดเร็วที่สุด เราต้องไม่ประมาทกับชีวิตเราเป็นคนดีมาพอแล้วเราทุกข์เพราะความดีมาพอแล้วเราต้องไปอยู่เหนือมันเราต้องเผชิญหน้าตอบสนองต่อสิ่งต่างๆในขณะนั้นๆแค่นั้น แต่เราจะตอบสนองประเชิญหน้ากับสิ่งต่างๆในขณะนั้นๆได้จิตเราต้องว่างก่อนมันถึงจะเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องไม่ใช่เรื่องของความคิดเป็นเรื่องของขณะนั้น